ระดับปัญญาอธิปัญญาสิกขาว่าด้วยเรื่องยาตาปริญญาคือรู้จักสภาวะขั้นทุกขะวัฏวฐานคือกำหนดทุกขสัต์ทิฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฐิคือความรู้เข้าใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เป็นจริง ทำให้ระ ง, งับความเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเสียได้เริ่มดำรงในภูมิแห่งความไม่หลงผิดบางทีเรียกปัญญาณอย่างหนึ่งมีชื่อว่านามรูปปาริเฉทญาณหรือเรียกว่าสังขาระปาริเฉษบ้างนามรูปประวัติฐานบ้างหมายถึงความรู้จักรูปธรรมนามธรรมว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่พอนับได้ว่าเป็นของจริง ก็มีแต่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นและกำหนดได้ว่าในการรับรู้และเคลื่อนไหวต่างๆของตนนั้นอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมเช่นเมื่อเห็นรูปจากขรุปราสารแสงและรูปหรือสีเป็นรูปธรรมจากขรุวิญญาณหรือการเห็นเป็นนามธรรมดังนี้เป็นต้น ขันสมุทรไทยววฐ า, านคือกำหนดสมุทรไทยศาสตร์กังขาวิตรณาวิสุธีความหมดจดแห่งยานเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัยหรือความบริสุทธิ์ขั้นที่ทำให้กำจัดความสงสัยได้คือกำหนดรูปปัจจัยแห่งนามรูปตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ตามตามแนวกฎแห่งกรรมก็ตาม ตามแนวกระบวนการรับรู้ก็ตามตามแนววัตตะสามก็ตามหรือตามแนวอื่นก็ตามว่านามธรรมและรูปธรรมล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยและเป็นปัจจัยแก่กันและกันอาศัยกันอันเป็นความรู้ที่ทำให้สิ้นสงสัยเกี่ยวกับการทั้งสามคืออดีตอนาคตและปัจจุบันความรู้นี้กำหนดเป็นยาณขั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่านามรูปปัจจัยปริคหายานแปลว่ายานที่กำหนดปัจจัยของนามรูปยานขั้นนี้เรียกได้หลายชื่อเรียกว่าธรรมทิฏฐิยานบ้างยถาภูตยานบ้างสัมมาทัศนะบ้างผู้ประกอบดียานขั้นนี้พระอัฏฐกถาาจารย์เรียกว่า เป็นจุลโสดาบันคือพระโสดาบันน้อยเป็นผู้มีคติคือทางไปก้าวหน้าที่แน่นอนในพระพุทธศาสนา